ข้อความจเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มประโพธิยานในวันนี้พักธรรมในธรรมระพุทธศาสนานั้นแม้จะทรงจําแนกแสดงไว้โดยพิสดารอย่างไรก็ตามโดยเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจะเป็นเรื่องของความทุกข์เจตคือทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกข์อันได้ชื่อว่าอริยสัจทั้งสี่ประการนั่นเองหรือพูดอีกในยันหนึ่งก็คือเรื่องของความทุกข์กับความดับทุกข์ ซึ่งแต่ละอย่างล้วนเป็นผลที่ทุกคนไม่ต้องการกับที่ทุกคนต้องการดังที่นำมาสวดสรงเสริญพระพุทธเจ้ากันว่าที่ทางมันเทาทุกข์ที่สุขเกษนสารที่ทางพระนรพภานอัน พ, นศศพ้นโสประโยคน์ไผ่นั่นเองเมื่อความทุกข์กับความรับทุกเป็นผลพระพุทธเจ้าทรงมีหลักในการแสดงธรรมที่สําคัญคือทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังซองตามปฏิบัติตามแล้วจะเห็นความจริงได้ ส่งแสดงเหตุไว้อย่างไรผลก็จะออกมาตามสมควรเกี่ยเหตุเสมออย่างที่ทรงยกตัวอย่างไว้ว่าเหมือนบุคคลถูกพื๋ชนิดใดชนิดหนึ่งลงไปในดินแล้วก็จะต้องได้รับผลของพืชชนิดนั้นคนทำความดีก็จะได้รับผลดีคนทำความชั่วก็จะรับผลชัว่วนี้เป็นกฎตายตัวที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างองื่น แต่หลักนี้เองทําให้เราพบว่าพระธรรมคําำคำสั่งสอนส่วนมากจะเป็นการแสดงเหตุแห่งความสุขมากกว่าเหตุแห่งความทุกข์ทำให้บางครั้งเราพบคําสอนโดยสรุปสมบตินักบวดว่าศีลสมาธิปัญญาและคําสอนสมบติชาวบ้านว่าทานศีลภาวนาซึ่งเปรียางเป็นเหตุแห่งความสุขทั้งนั้นแต่ในภาคปฏิบัติแล้วเมืเ่อคนปฏิบัติธรรมก็ได้ข้อหนึ่งอยู่นั่นเองธรรมะข้อนั้นจะทําหน้าที่กระจัดอกุศลอกุศลที่ตรงกันข้ามกับตน ให้สงบไปนี่อกุศลนั่นเป็นเหตุแห่งความทุกข์สงบไปความทุกข์ซึ่งเป็นผลก็จะสงบตามไปด้วยความสุขกันเป็นผลจากกุศลธรรมก็จะทำหน้าที่ของตนอนํานวยผลให้เป็นความสุขความสนุก ค, ความสวัสดีแก่บุคคลนั้นๆตามสมควรแก่เหตุที่เขาได้ประกอบกระทำในขณะนั้นนั้นดังที่ท่านอุปมาไว้ว่าในกระบวนการของเรายาสต์ักรสีประการนั้นทุกเหมือนโรค ที่เกิดในร่างกายของคนสร้างความทุกประมาที่เกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างสมุทัยเหมือนสมุทฐานแห่งโรคซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกก็ได้นิโรธหรือความหายจากโรคอันเป็นผลของการเยียวยารักษาด้วยการทั้งลายสมุทรฐานของโรคมักเหมือนยาหรือวิธีการในการเยียวยารักษาโรคแต่ในการบำบัดสมุทฐานของโรคนั้นคนป่วยทำเพียงรับประทานยาหรือรับการฉีดยาเท่านั้น ยานั้นเองจะทําหน้าที่ขจัดสมุฐานของโรคเมื่อสมุฐานของโรคสงบอาการของโรค ก, ก็สงบความสบายก็เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปสุขสันนิรันดรนั้นหมายถึงความสุขตลอดกาลก็มีฐานะเป็นผลเชินเดียวกันซึ่งตามระยะแห่งพระพุทธธร ร, รัสที่ทรงแสดงไว้และยกมาเป็นนิกขปประวติในตอนต้นนั้นทรงแสดงว่าเกิดมาจะเกิดสี่ประการคือ หนึ่งปัญญาความรอบรู้ซึ่งถือว่าเป็นแกนหลักของพระพุทธศาสนาที่อาจกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาหรือสรุปรวมลงที่ปัญญาก็ได้คําสอนเรื่องปัญญาจึงปรากฏมากเป็นพิเศษและแม้แต่ในความเป็นพุทธหรือความเป็นฉัวพุทธโดยแปะว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นการสะท้อนปัญญาให้ปรากฏอย่างชัดเจนว่าความตื่กนก็ดีความเบิกบานค็ดีลรื่องเป็นผลที่สุดเนื่องมาจากปัญญาทั้งนั้น เื่อประสาศาสนาแสดงปัญญาไว้สองกลุ่มใหญ่ๆปิเศษชาติกัปัญญาปัญญาที่ติดมาแต่กําเนิดหากใครมีปัญญาในเรื่องใดมากเป็นพิเศษในปัจจุบันมักเรียกว่ามีปอดสวรรค์ในเรื่องนั้นๆโยคะปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาขึ้นมาด้วยความเพียรพยายามของบุคคลทั้งหลายอาจจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสคือการได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดลมด้วยจมูกลิ้นด้วยลิ้นได้จากต้องด้วยกาย ที่ใช้คำว่ามีประสบการณ์เรื่องนั้นๆมากบ้างไม่บ้างจะนําประสบการณ์เหล่านั้นมาคิดทีนี้พิจารณาแยกแยะให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นทางเจริญถึงต้นเมื่อแยกแยะได้ชัดเจนเช่นั้นแล้วนําสิ่งเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ฐานะแห่งสิ่งดอกนั้น พี่ก็พุทธศาสนาสูบบวกง่ายว่าละสิ่งที่ควรละบาเป็นสิ่งที่ควรบําเพ็ญเพราะในความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปรธรรมหรือนามธรรมก็ตามแยกออกได้เพียงสองกลุ่ม ใ, ใหญ่ๆเท่านั้นคือดีกับไม่ดีสิ่งใดดีสิ่งนั้นก็มีประโยชน์ควรกระทําบาเพ็ญให้เกิด ข, ขึ้นในตนสิ่งใดไม่ดีสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์ควรละลดเว้นตามกําลังความสามารถที่จะทําได้ ว่าปัญญาที่สามารถนำสู่ความสุขสรรได้นั้นต้องเป็นปัญญาประเภทที่สงใช้กับว่าบริหารปัญญาที่บริหารตนได้หรือปัญญาที่รักษาตนได้หากมีปัญญาแต่ไน่อาจจะรักษาตนคุ้มครองตนได้ก็ข้าลักษณะที่พูดกันว่าความรู้ท่วมหัวัวไม่รอดปัญญาในระดับที่คุ้มครองตนรักษาตนบริหารตนได้นั่นเองที่ได้รับการยกย่องว่าปัญญาเป็นรัตนาของฤาษีชนความได้ปัญญาให้เกิดความสุขคนฉลากกล่าวว่าปัญญานั้นแหละเปี่ยมเสด็จ กล่าวผู้มีผู้อยู่ด้วยปัญญาว่าเป็นอยู่ประเสริฐสุดจนถึงคนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเป็นต้น 2. ความเพียรคุณธรรมที่จะนำผลเข้าสู่ความสุขสารในรันรอนประการ ต, าต่อไปคือความเพียรนื่จากความสุขความสวัสดีเป็นผลดังกล่าวไม่มีผลอะไรที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามความเพียรเป็นลนักษณะของความกล้าหาญไม่ขั้นข้ามคําเ ก, งงเกงารงต่ออุปสรกอันตรายถึงตวว ในคำนึงทั้งความเหนื่อยยากลำบากจากตรรมในการปฏิบ no ัติภารกิจการงานเพื่อบรรลุผลตามที่ตนต้องการจะเพื่อว่าในการใช้ความเพียรนั้นจะต้องมีปัญญาเป็นหลักในการชี้นําการตัดสินควบคุมทิศทางในการใช้ความเพียรพยายามเพราะในความเพียรพยายามนั้นเองมีทั้งความเพียรพยายามในทางที่ผิดและความพยายามในทางที่ชอบความเพียรพยายามที่ประสงค์ในที่นี้เน้นไปที่ความพยายามในทางที่ชอบซึ่งอริยมรรคเรว่าสัมมาปยามะ กรอบของความเพียรพยายามนั้นแม้ฐานะอาชีพการงานของเราจะแตกต่างกันอย่างไรก็ตามแต่กรอบของการใช้ความเพียรพยายามก็คงอยู่ในหลักที่สอนไว้ว่าให้บุคลบคลปลูกฝังความพอใจใช้ความขยันพยายามกระทาความเพียรอย่างต่อเนื่องมีความคิดริเริ่มและรักษาจิตสํานึกของตนไว้ให้ได้ในการทําหน้าที่หนึ่งป้องกัน คือปัญญาจะต้องสอดส่องพิจารณาเห็นว่าความเสื่อมอันตรายความชั่วบาปอกุศลอันใดที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่ตนแต่เกิดแล้วแก่คนอื่นหรือได้ศึกษาจากตาราข่าวคราวนั้นว่าเป็นภัยเป็นอันตรายเป็นความเสื่อมแม้ยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตของตนก็ให้ใช้ความพยายามป้องกันภัยอันตรายเหล่านั้นไม่ให้บังเกิดขึ้นบางกรณีอาจจะเป็นเรื่องสุดวิสยัยแต่ก็ต้องพยายามให้เป็นภัยเป็นอันตรายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ สองบำบัดใช้ปัญญาตรวจสอบตนเองครอบครัวฐานะการงานอะไรก็ตามที่เป็นบาปเป็นความเสือ่อมความบกพร่องอั น, นตราที่เกิดขึ้นแล้วมีความตื่นตัวตื่นภัยใช้ความพยายามลดละบันเทากรจัดสิ่งไม่ดีเหล่านั้นออกไปจุดนี้ออกจะมีปัญหาในภาคปฏิบัติมากเพราะตามปกติแล้วโทษของตนเห็นได้ยากโทษของคนอื่นเห็นได้ง่าย ปัญญาที่จะใช้ตรวจสอบในชั้นนี้ต้องมีกำลังมากพอที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบตนด้วยตนพิจาิดาตนด้วยตนเตัดสินตนด้วยตนเองย่างที่ท่านใช้คำไปง่ายว่าดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนทมดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนพูดดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนคิดนัวเองในแ้่ของความจริงแล้วความชั่วร้ายทั้งหลายนั้นแม้จะแต่กิ่งก้านสาขาออกมากก็ตามแต่ถ้าพยายามลดละในส่วนเหตุ้ได้แล้วส่วนเหตุจะไม่มากเลย เช่นถ้าคนเราสามารถกระจัดความเห็นแก่ตนแก่พวกของตนนั่นเป็นเหตุให้นําไปสู่พฤติกรรมที่เป็นอากาติกในลักษณะต่างๆออกไปได้ความผิดพลาดกตกท้องทั้งหลายก็จะลดลงไปเป็นอย่างมากสามบรรลุใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบจนเห็นกระจัดแจ้งแก่ใจหรือบางเรื่องอาจจะต้องอาศัยการเชื่อท่านที่ควรเชื่อไปก่อนสิ่งนั้นดีมีประโยชน์สามารถทําน่วยความสุขความสงบให้แก่ตนและคนอื่นได้ตลอดการระยะยาวนาน จะเลือดตกอยู่ในสภาพสังคมที่มีความเป็นเราเป็นเขามีความขัดแย้งกันจากจุด เ, ดเล็กๆไปถึงจุดใหญ่ปัญญาพิจารณาเห็นว่าหากคนแต่และคนจะสนับถึงโทษของความขัดแยง้งความรุนแรงความเป็นเราเป็นเขาแล้วพยายามใช้ความอดกลั้นความอดทนให้ภัยต่อกันมีความรักความเมตตาต่อกันชันญาติชนิตรชันเพื่อนร่วมชาติศาสนาประมหากษัตริย์ร่วมพูดเกิดแอนเกลื่อนปากทุกัน แต่ละฝ่ายพยายามมีหลักคันจิตธรรมการให้อภัยความรักความเมตตาเป็นฐานใจให้ได้ความสุขความสงบการปราศจากเนภัยอันต ร, รายก็จะเกิดขึ้นสี่รักษาปัญญาพิจารณาห็นคุมค่าของความดีงามทั้งหลายดังกล่าวแล้วพยายามรักษาคุณธรรมเหล่านั้นให้ดำรงอยู่จนมีปริมาณมากพอที่จะต้านทานกระแสอารมณ์กระแสกิเลสแรงกระแทกกระทันทางใจจนถึงชีวิตไปได้ อย่างการที่คนไทยส่วนมากสามารถรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยหรือพื้นฐานของความสมัคคีเสียสละกล้าหาญซึ่งมีฐานอยู่ที่ความเป็นผู้รักสงบสืบทอดกันมาเป็นเวลานานได้หากว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะรักษาคุณธรรมเหล่านั้นเอาไว้ให้ดำรงคงอยู่ได้ความสุขสันต์ก็จะเกิดขึ้นได้ตลอดไปเช่นกันสามความสงบรมระหว่าังสังเกตว่าความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นคนสองคนหรือเป็นมายุทธสงครามก็ตามล้วนเกิดขึ้นมาจากการขาดความสชืวอม ร, หรอะหว่างเวลาเกี่ยวข้องกับคนอื่นและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคนอื่นเป็นสําคัญในหลักประชาธิปไตยที่เน้นเรื่องสิทธิหน้าที่แต่กลับปรากฏว่าการล่วงละเมิดสิทธิหน้าที่ของกันรละกันมีปรากฏเป็นข่าวเสมอจุดสําคัญในการล่วงละเมิดที่สิทธิเกี่ยวกวับร่างกายทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทั้งหลายสิทธิในคู่ครองของกันรละกัน ที่ในการจะรับฟังข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นต้นมันเป็นผลให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าอัจฉรกรรมออกมาในลักษณะตา่างๆ่างอัจกรรมเหล่านั้นด้วยแล้วต่เป็นพฤติกรรมที่ขาดการสํารวลระวังมีเกี่ยวข้องกับคนอื่นและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคนอื่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกนันภายในสังคมจึงจําเป็นยี่ทุกคนภายในสังคมจะต้องมีความสํารวลระวังตนไว้ ไม่แก่ทําอะไรให้เป็นการผิดกฎหมายกติกา ร, ระเบียบภินัยที่ถูกกาหนดขึ้นเป็นมาตรฐานของสังคมเพื่อเกิดการริร่มการโดยปกติสุขที่สํานวนทางศาสนาทัานใช้กรว่าศีลสามั ญ, ญาตาคือมีความเป็นผู้สเสนอการด้วยศีลไม่มีใครเป็นอภิสิทธิชนที่สามารถละเมิปดบทบัญญัติของกฎหมายศีลความสํารวลระดับนี้เป็นความสํารวลระหว่างระดับศีลธรรมจัญญาที่สามารถยุติเวรภัยอันตราย ความทุกข์อันสืบเนื่องมาจากการเบียดเบียนปฏิส้ายกันได้ความสํารวมอีกระหว่างอีกชั้นหนึ่งทรงใช้คําว่าสํารวมระวังอินทรีย์โลกเหล่านั้นเป็นโลกแห่งสัมผัสที่คนรับรู้โลกเรียนรู้โลกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสในปัจจุบันนั้นเนื่องจากเป็นลุคที่เน้นหนักทางเศรษฐกิจกันมากสิ่งที่เราสัมผัสในแต่ละวันจึงมักจะมีลักษณะปรุงแต่งปรพยุ่ยยวนให้เกิดความอยากได้ความปรารถนาความต้องการ จนทําให้ธุรกิจเกี่ยวกับการโฆษณากลายเป็นธุรกิจที่สร้างความร่ํารวยให้แก่คนเป็นจำนวนมากสื่อเหล่านั้นพยายามที่จะโน้มนาจิตใ จ, จของคนให้เห็นตามคล้อยตามจนปลุกร้าให้เกิดความอยากได้ต้องการบางครั้งอาจจะต้องการต้องประกอบอัจฉรกรรมโดยการลักการช่อดการโกงการขอรับชั้นเป็นต้นเพราะไม่อาจทนทานต่อแรงกระตุ้นจากรูปเสียงกินรสสัมผัสเหล่านั้นได้ดังนั้นพระเจ้าจึงสนันนิเวศสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นวัตถุ ก, การม คือ ส, สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความใคร่ความปรารถนาความต้องการจนบางครั้งคนเกิดมีความต้องการในสิ่งเดียวกันไม่อาจประนีประนอมกันได้กลายเป็นความโกรธตรงมือประทุษร้ายกันด้วยวิธีการต่างๆวัตถุอันกระตุ้นให้เกิดความใคร่จึงแปลสภาพเป็นวัตถุที่ก่อให้เกิดการทำลายกันจนบางครั้งไม่มีใครได้มีแต่เสียกับเสียเพียงแต่ว่าฝ่ายใดจะเสียมากกว่า ก, กาันเท่านั้นออกมาเป็นความรุนแรงเช้นนี้จึงเป็นเรื่องของการกิดศีลกฎหมายดังกล่าว แจะจากจุดนี้เองหากมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการขาดความควบคุมอารมณ์จนปล่อยให้ความยินดียินร้ายเข้านาใจได้จะทําให้เขามีความสมบูรณ์ระวังอะไรที่ไม่ควรดูไม่ควรฟังเป็นต้นก็ไม่ดูไม่ฟังหรือพูดสักบ้างดังนี้ท่านสร้างขึ้นมาเป็นรูปวานรสามตัวปิดปากปิดตาปิดหูตนไว้ท่านบรรยายไว้ดนภาพว่าตาเป็นปูหูตะกร้า ต, าตาตะแกรบปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็น เป็นหลักฐานนำให้หัวใจเย็นคนควรเป็นชนมีบ้างในบางคราวการสำรวมระวังนี้เกิดขึ้นจากปัญญาพิจารณาสอดส่องเห็นว่าหากไม่สำรวมระวังไว้ภัยอันตรายความแตกแยกเป็นต้นจะบังเกิดขึ้นจึงสำรวมระวังไม่พูดในบางเรื่องไม่ดูในบางสิ่งไม่ฟังในบางอย่างดังที่โบราณท่านใช้คำง่ายว่าพูดไปสองไผ่เบีย้ยนิ่งเสือนิ่งเสียประนองทองนั่นเอง มีเรื่องเป็นมากที่จําเป็นต้องดูต้องฟังเป็นต้นในใช้ปัญญาพิจารณาตัดสินในขณะนั้นว่าดูอะไรดูไปเพื่ออะไรดูไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้างหากได้ประโยชน์ก็สมบวัใจไม่ให้เกิดความยินดียินไร้าในสิ่งที่ตนจําต้องดูต้องฟังอย่างที่มักใช้คํานั้นสั้นว่าช่างเขาเถิดไม่เป็นไรหรือเสียเถิดเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเป็นต้นก็มีบางจะมีที่รูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้น มีแรงกระแทกกระทันใจสูงมากญากต่อการที่จะทําให้ไม่มีความยินดียินร้ายก็ต้องพยายามใ ช, ใช้ความอดกลั้นความอดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นเพื่อลดความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานให้น้อยลงหากเป็นเรื่องที่สร้างความขัดเแืองให้ก็ใช้หลักอภัยกระจัดความรู้สึกเหล่านั้นออกไปในการต่อมาหากเป็นเรื่องที่สร้างความอยากได้ใครดีให้เกิดขึ้นก็พยายามใช้ปัญญาพิจารณาเห็นคุณโทษจนประจักษ์แล้ว ความอยากได้ต่างๆก็จะลดลงเพราะความอยากได้ที่จัดนั้นมักจะเกิดจากใจไปกําหนดสิ่งนั้นว่าหน้าใคร่น้าปรารถนาหน้าพอใจเพียงด้านเดียวจนไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นด้วยความกําหนัดรักใคร่จะลดลงได้อย่างน้อยก็ไม่ถึงกับกระทําอะไรรุนแรงลงไปแต่ความฉงดว ง, งระวังที่สามารถเป็นฐานใจได้จริงๆทรงเน้นที่การใช้สติรู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นหลัก โดยการคำนวณระวังอย่าให้เกิดความกําหนัดกัดเคืองลุ่มหลงมวลเมาจนเกินไปในรมทั้งหลายความคำนวณระวังท่านจึงเน้นไปที่การป้องกันบาปอากุศลและการขจัดอกุศลเป็นสําคัญเพระสิ่งดีงามทั้งหลายก็ผ่านาทางประสาทสัมผัสเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เป็นกุศลเหล่านั้นท่านสอนให้ยอมรับนับ ถ, ถือศรัทธาในธรรมตาจึงจะสามารถสร้างความสุขสรรในบังเกิดขึ้นได้สีสละสิ่งทั้งปวง คุณธรรมที่จะนําคนไปสู่ความสุขสารในรันรอนข้อสุดท้ายทรงใช้คําคว่าสละสิ่งที่ควรและเป็นการแสดงถึงหลักการปฏิบัติที่เข้าสูงผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแต่ในขณะเดียวกันการเสียสละนั้นเป็นกุศลธรรมที่อาจํานวยผลให้ตามสมควรเกิเหตุเสมอหรืสังเกตว่าสิ่งที่ทรงสอนให้เสียสละนั้นก่อนจะสละก็ต้องผ่านการกรร้างด้วยปัญญาอีกขึ้นเนึ่ เพาในความเสียสละนั้นคนจะต้องหาคําตอบได้ว่าสละอะไรสละไปเพื่ออะไรสละไปแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรเป็นต้นความเสียสละในระดับของจารย์นั้นจะพบว่ามีขอบข่ายต่างกันในเชิงรูปแบบเป็นเนนรื่องการโดยเนื้อหาคือกิเลสลดลงคุณธรรมจะเพิ่มขึ้นในทุกกรณีของการเสียสละกา ร, ส, ส, ลการ ส, สละประการแรกเป็นกุศลเจตนาที่จิตใจเห็นว่าสิ่งที่เป็นเสียสละไปนั้นจะสามารถเป็นประโยชน์แก่ คนอื่นบำบัดทุกข์สร้างสุขให้แก่เขาได้ในระดับหนึ่งและเสียสลวะวัตถุสิ่งของอันพิจารณาแล้วว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับคืการให้ข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าเป็นการสร่งมอบนักเพาะกำลันเป็นต้นลักษณะที่พูดว่าเป็นการให้ปันกันเป็นการแสดงออกซึ่งอัธยาศัยเอยื้อเฟื้ออแผ่อุปอมอารีที่คนควรจะมีต่อกันการสละอีกระดับหนึ่ง เกิดขึ้นจากการพิจารณาชีวะทียระหว่างสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยกันเห็นว่าฝ่ายหนึ่งเป็นประโยชน์มากกว่าจึง เ, เสียสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ที่ไปบุญมากกว่าการเสียสละอีกระดับหนึ่งเป็นการเสียสละอารมณ์หรือความคิดที่เป็นรประสาตต่อเจตจำ น, นงของตนที่ตั้งใจไว้ว่าจะทําความดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เกิดความคิดเกียดคร้านไม่อยากทําหรือมีความคิดอย่างอื่นแต่จะเป็นอุปสรรคในการทําความดี ก็พยายามสละความคิดเหล่านั้นหรืออาชนะความคิดเหล่านั้นให้ได้อย่างที่พันใช้คําว่าสละสิ่งที่เป็นท่าสิทธิต่อความจริงใจที่เจตนงที่ดีความสละอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นเนื้อหาจริงๆนั้นคือสละความชั่วรรกิเลสปัญหาทพีงหลายซึ่งในความหมายที่สมบูรณ์เป็นคุณลักษณะของนิโรธจวจะกล่าวระดับของการสละด้วยการบรรเทาความดุรแรงของกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจเช่น นีม่มีการกระทบกระทั่งอะไรกันแล้วแน่นอนสามัญชนมักกมีความโกรธจนบางคนถึงกับกูโกรธมีความอาฆาตพยาบาร์จนถึงกับนื่งจองเวนต้องการทำลายล่างกันอันเป็นเหมือนกับจุดไฟขึ้นเผาหลนใจตนเองที่มีความร้าวร้อนปัญญาจะต้องพิจารณาเห็นโทษของความโกรธให้ไปจากแก่ใจอย่างที่ทรงแสดงไว้เป็นอัน า, นากเช่นความโกรธก่อความพินาศความโกรธทำกิจให้กำเรบ ความโกรธครอบงำระุนรถใดความีืดมนย่อมมีทังนั้นความโกรดน้อยเป็นมากเกิดกําเริกขึ้นก็ความไม่อดใจความโกรธเป็นอารมณ์ของผู้มีปัญญาสามความผิดเสมอด้วยความโกรธไม่มีข้าความโกรธได้ไม่เศร้าโศกข้าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขเป็นต้นแล้วพยายามลดละความโกรธที่โกรธขึ้นอย่าให้กลายเป็นความผูกโกรธหรือผูกโกรธอยู่แล้วก็อย่าให้ถึงกับพยาบาทเป็นต้น เพราความโกรธเป็นทางแห่งเวรภัยอันตรายที่ไม่อาจหาข้อยุติได้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระธรรมบทว่าคนเหล่าใดเข้าไปผูกโกรธไว้ดังนี้ว่าเขาได้ด่าเราแล้วเขาได้ตีเราแล้วเขาได้ต่อสู้กับเราแล้วเวรของชนทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่ึงนบได้ส่วนชนทั้งหลายเหล่าใดย่อมไม่เข้าไปปลูกความโกรธด้วยว่าเขาได้ด่าเราแล้วเขาได้ตีเราแล้วเขาได้ต่อสู้กับเราแล้วเวรทั้งหลายของชนทั้งหลายเหล่านั้นย่อมสงบะงับไปเป็นต้น พระพุทธดำรัสที่ยกขึ้นเป็นนเหตประบทในเบื้องต้นนั้นแปลเป็นใจความว่าเราจะถาคดในเห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายนอกจากปัญญาความเพียรความสางบ ร, ระวังการสละสิ่งทั้งปวงแสดงว่าคุณธรรมทั้งสประการนั้นจะต้องได้รับการยอมรับนับถือเชื่อฟังและนำไปปฏิบัติกันแท่หลายโดส่งเน้นไปที่ความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลาย และผลจากการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารใครรับประทานคนนั้นก็อิ่มมีได้แรงกำลังกระจัดความอยูได้ไม่อาจจะอิ่มแทนกันได้ดังนั้นพระธรรมคุณที่นำมาสวดสังเสริญกันจึงมีข้อว่าเป็นข้อปฏิบัติที่บุคคลจะพึงเลีนได้ด้วยตนเองและเป็นข้อที่วิญญูชนจะรู้ได้เฉพาะตนความสุขความสงบเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตในโลกต้องการร่วมกันแต่การที่โลกไม่ค่อยมีความสุขนั้น เมื่อมาเทียบเทียงกับเหตุแห่งความสวัสดีของสรพสัตสี่ประการจะพบว่าแม้นคนจะต้องการความสุขความสวัสดีเหมือนกันก็ตามแต่คนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ไม่พร้อมจะสร้างเหตุด้วยเกิดผลตามที่ตนต้องการดังนั้นใครก็ตามหากมีความพร้อมที่จะพัฒนาปัญญาของตน จนดูในระดับที่สามารถคุ้มครองตนรักษาตนได้มีความเพียรพยายามในการละความชั่วทำความดีมีความสมรวมระวังไม่รุวงละเมิดสิทธิหน้าที่ของกันไดะกันมีความพร้อมที่จะเสียสละละวางตามสมควรแก่กรณีความสุขความสวัสดีก็จะบังเกิดขึ้นแก่เขาตลอดไปห็นด้ว่าการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้น แต่การสำคัญอยู่ที่ความพยายามดลักิเลสให้จางคลายลงไปจากจิตใจโดยลาดับเมื่อกิเลสซึ่งมีลักษณะ ร, ร้อนรอนได้บรรเทาลงธรรมะซึ่งมีลักษณะเย็นก็จะเพิ่มขึ้นทำให้ชีวิตของบุคคลมีความสงบเย็นเพราะาหลักธรรมที่ ได้แสดงมาในหัวข้อที่ว่าสุขสรรนิรันดรเป็นการแสดงถึงหลักธรรมสำคัญถึงหมายความว่าเมื่อบุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติไปจริงๆแล้วก็จนถึงบรรลุมรคผลเป็นประหันทีเดียวแต่ว่าในชั้นนี้ขอเพียงแต่พยายามประพฤติปฏิบัติให้สัมผัส ผ, สผลในระดับใดระดับหนึ่ง ความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, ง่องามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี